ลงโทษโดยถูกขับออกจากวันนาพรามอย่างที่ท่านเป็นอยู่ในเวลานี้ขอให้ท่านลองทําตามนี้ดูท่านผู้เจริญความคิดของท่านแยกคายดีจริงๆทาไมนะข้าพระเจ้าจึงไม่คิดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่มีการสอบสวนเป็นครั้งแรกถ้าข้าพระเจ้าได้ความคิดแต่แรกแล้วปานนี้ข้าพระเจ้าควรจะอยู่เป็นสุขสบายกับบุตรภัญญาไม่ต้องมาลําบากอย่างนี้ข้าพระเจ้าจะปฏิบัติตามคําแนะนําของท่าน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 น้องก็รู้ว่าพี่ไม่ได้เป็นคนผิดอย่างที่เขากล่าวหาพี่ถูกเข้าใส่ร้า ย, ายและที่มาเนี่ยนอกจากจะคิดถึงน้องแล้วยังต้องการให้น้องช่วยเหลืออีกด้วยช่วยเหลืออะไรขาบถาูดช่วยไม่ได้ยังไม่ทันรู้เรื่องเลยบอกแล้วว่าช่วยไม่ได้ได้สิน้องต้องช่วยพี่ได้ช่วยพูดกับพัหน้าพรามณ์ขอให้พิจารณาเรื่องของพี่ซะหน่อยอย่าให้คนบริสุทธิ์อย่างพี่เนี่ยต้องกลายเป็นผู้รับบาปเลยอย่าดีกว่า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 แต่ว่าตันพรามอ๋นางเองเหรอเปล่ไม่ทุระอะไรถึงมาหาข้าพเจ้าจะมาพูดเรื่องปารกะสามีของนางไงเหรอเขาถูกขับไล่ออกไปจากหมู่บ้านแล้วไม่มีอะไรจะพูดถึงเขาอีกแล้วมีสิตันพรามปารักกะสามีข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้มีความผิดอย่างที่ถูกกล่าวหานางพูดเรื่องนี้ทําไมอีกละข้าพเจ้า อยากให้ท่านพิจรารณาเรื่องนี้ซะหน่อยเพื่อความเป็นธรรมขอท่นานพระมตจงกรุณาด้วยอย่าเลยรื้อฟื้นขึ้นมาเอง ก, ก็จะยุ่งยากเปล่าๆแล้วอีกอย่างหนึง่งถึงจะรู้ฟื้นขึ้นมาใหม่จะมีประโยชน์อะไรอลากะก็ต้องแพ้อเอครามีอาจจะชนะก็ได้นะท่นานพระมชนะเหรอเป็นไปไม่ได้หรอก ปาลกะคนเดียนะจะสู้หลายคนได้ยังไงได้เลยท่านถามถ้าท่านทำตามที่ข้าเจ้าแนะนําทํายังไงล่ะสอบสวนเป็นรายคนอย่าให้คนทั้งเก้าได้พบกันไม่ให้มีโอกาสปรึกษากันได้และท่านก็สอบถามที่ละคนว่าตาลกะไปพบหนอที่ไหนหนอใบนั้นใหญ่เล็กขนาดไหนทําด้วยอะไรตาลกะหูกินยังไงถ้าหากคนทั้งเก้าต่อปรงกันก็เป็นอันเชื่อได้ว่า บากะนะทำความผิดจริงแต่ถ้าคนทั้งก้าออกตอบไม่ตรงกันนั่นก็แล้วแต่ท่านพิจารณาเป็นความคิดเห็เออเอาเถอะเราจะเรียกไปถุ่มพราหมณ์ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านทำการพิจารณาสอบสวนกันใหม่ขอบคุณท่านพราหมณ์ ไปเสลายวันได้เรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าได้เรื่องแล้วท่านสมณะแผนการของท่านเกือบสําเร็จแล้วข้าพระเจ้าแอบไปพบพัญญาเมื่อคืนก่อนนี้อืมแล้วยังไงเธอตกใจมากที่ได้พบข้าพเจ้าหลังจากวิงวอนขอความเห็นใจอยู่นานเธอก็รับปากว่าจะชี้แจงกับหัวหน้าพราหมให้และคืนต่อมาข้าพระเจ้าก็ได้ไปหาเธอ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 ปาลกะก็มาหาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่มาคนเดียวแต่มีหญิงสาวและพราหมณ์แก่คนหนึ่งตามมาด้วยท่าทางเขายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเขาคงชนะความมาแล้วเป็นแน่ทีเดียวท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะแนละ้วขอแสดงความดีใจด้วยอรรรนี่ัญญาข้าพเจ้าเองข้าพเจ้ามากราบขอบพระคุณท่านด้วยส่วนท่านผู้นี้คือหัวหน้าพราหมณ์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 ในตัดสินใจให้ขับออกจากวันณะไปเรียบร้อยแล้วท่านเชื่อแน่แล้วเลยว่าการตัดสินใจของท่านประกอบด้วยความยุติธรรมเขาไปเจ้าเข้าใจว่ายุติธรรมดีแล้วเพราะเขามีโทษ ถ, ถึงสองกระทงโทษสองกระทงนั้นมีอะไรบ้างกระทงแรกเขาได้กระทำผิดทำเนียมพรามอย่างร้ายแรง โดยการบริโภคอาหารจากหม้อของคนจันทานประการที่สองเมื่อตนได้กระทาผิดแล้วยังตักปราคนบริสุทธิ์อาศัยเสียงข้างมากเป็นเครื่องมือจนกระทั่งพรามณ์อวุโสหลงเชื่อและได้ลงโทษปาลกะผู้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าคิดว่าเขามีความผิดหนักสมควรได้รับการขับออกจากวันนะ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 เขาถูกขับออกจากพราหมณ์ขาจากความเป็นพราหมณ์อย่างสิ้นเชิงเวลานี้เขามีฐานะเทียบเท่ากับคนจันทานที่ไร้วันะเท่านั้นรู้สึกว่าเรื่องเกี่ยวกับวัน น, นั้นเนี่ยท่านและพรามณ์ผู้อาวุโสทั้งหลายในหมู่บ้านมีอํานาจมากพอดูทีเดียวถูกของท่านหมายความว่าท่านมีอํานาจที่จะให้พราหมณ์กลายเป็นคนจันทานได้อย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วท่านสมณนะ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 นอกจากพระพรมองเดียวที่มีอำนาจการเป็นพรามใช่ว่าจะเป็นกันในง่ายงไม่ว่าใครอยากจะสมัครเป็นพรามก็เป็นได้ผู้ที่จะเป็นพรามได้ต้องเป็นคนยังไงต้องเป็นผู้เกิดในสกุลพรามวิดามาดามีวั น, นะพรามอันบริสุทธิ์ตลอดเจ็ดชั่วบุรุษจึงจะเป็นพรามได้ถ้าอย่างนั้นการเป็นพราม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 ถ้าอย่างนั้นท่านเป็นเพียงมนุษย์อย่าไปบังอาจถอดความเป็นพราม์อันศักดิ์สิทธิ์ของเทพ เ, พเจ้าแต่เขาได้ทําผิดทำเนียมของพรามหมเนี่ท่านผู้เจริญเมื่อความเป็นพราหม์เป็นพระบัญชาของเทพ เ, พเจ้าก็ไม่มีอะไรจะมาทําให้ความเป็นพราหม์ของเขาสิ้นสุดลงได้การกระทําผิดทำเนียนมพราหมณ์อาจจะทําให้ความเป็นพราหมณ์มัวหมองไปบ้างแต่ถ้าเราให้เขาประพฤติวัตระตามระเบียบ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 ผู้เจริญอปาลกะมีอะไรอีกละ่ะถึงได้กลับมาที่นี่อีกข้าพระเจ้าจะมาบอกเรื่องพราหมณ์อาวุโสประชุมกันพิจารณาเรื่องพราหมณ์เก้าคนนั้นซึ่งได้ประชุมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นที่ตกลงกันอย่างพราหม์ผู้อาวุโสเห็นด้วยกับความคิดของท่านและได้ให้อภัยแก่พราหม์ทั้งเก้าคนนั้นอัตมาดีใจด้วยที่ทุกอย่างเรียบร้อยลงได้ดีข้าพระเจ้า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 ท่านจะอยู่ราชคฤห์นานสักแค่ไหนล่ะไม่นานหรอกท่านผู้เจริญถึงราชคฤห์แล้วก็จะเดินทางกลับบ้านทันทีกลับบ้านทันทีถูกแล้วท่านผู้เจริญทําไมถึงรีบกลับข้าพเจ้าจากบ้านมานานร่วมปีล่ะคิดถึงบุตรพันยาเต็มทีป่านนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นตายรายดีประการใดราชคฤห์เป็นแหล่งสุดท้ายที่ข้าพเจ้าจะต้องไปจําเป็นนักนะจําเป็นมาก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 ต้องหาเผือกมันและกรอยกินแทนข้าวต้องทำงานหนักหาเงินมาซื้อข้าวกินเสียค่านาให้แกชก ข, ของนาอะไรกันอุบาสกนาไม่ได้ทำท่าน่าต้องเสียค่าเช่าอีกเหรอต้องเสียสิท่านผู้ช่วยทำไมต้องเสียละ่ะเราเช่านาเขาทำเป็นรายปีในตอนต้นๆปีมีฝนตกลงมาบ้างเราได้ทำนากันแต่แล้วฝนก็หายไป น้ำที่มีอยู่บ้างก็แห้งหายไปหมดข้าวกราบที่ลงก็เคี้ยวแห้งตายไปเป็นเช่นนี้มาสามปีเจ้าของนาก็ถือว่าเราได้ทํานาของเขาแล้วเขาก็เร่งร้องเอาค่าเช่าแล้วบอกกับเขาหรือเปล่าล่ะ ว, ว่าทํานาไม่ได้ผลข้าพเจ้าบอกแล้วไม่เพียงแต่จะบอกอย่างอ้อนวอนขอความเมตตากรุณาผ่อนผันแต่เขาก็ไม่ยอมฟังเสียงยืนยันจะเอาค่าเช่าให้ได้ รู้สึกว่าเจ้าของนาในเฮียมโหดทารุนมากนั่นยังไม่ทารุนเท่าไหร่นักหรอกท่านสมณัตถึงแม้เราจะต้องเสียค่าเช่านาเราก็ยังควนขวายหามาเสียได้ถ้าเสียให้ไม่ทันขอผลัดผ่อนเขาก็ยินยอมแต่มีอีกอย่างหนึ่งนี่สิมันทารุนมากอะไรละ่ะอุบาสกผ้าสี ภาษีภาษีอย่างงั้นเหรอเทวบิยัถูกแล้วท่านผู้จเจริญเราจะต้องเสียทุกปีภาษีอะไรเนี่ภาษีที่จะต้องเสียให้แก่มหาคุรุผู้เป็นใหญ่ในาศาสนาของเรามหาคุรุอะไรอุบาสกอาตมาไม่เคยได้หยิบทางแถบเหนือเนี่ยอาจจะไม่มีมหาคุรุท่านจึงไม่รู้เรื่องในดินแดนของเราดินแดนของเรานน้นมีมหาคุรุ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 อาจจะสาบแช่ให้ใครกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือกลายเป็นหินไปก็ได้มีบางคนทาให้ท่านขัดเคืองใจจึงถูกสาบให้ตายในสามวันอย่างนั้นเชียรบางคนท่านไม่ทําให้ถึงตายเพียงแต่ทําให้ประสบภัยพิบัติประสบภัยพิบัติยังไงไฟไหม้บ้านบางปัสุสัตว์ตายบางังทรัพย์เสียหายด้วยวิธีต่างๆคนก็เลยหวาดกลัวสิถูกแล้วท่านผู้เจริย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 เสร็จแล้วลุกขึ้นดังเอาภาชนะน้ำไปล้างที่เท้าของท่านแล้วลองเอาน้ำนั้นมาประพรมที่ศีรษะและดื่มส่วนที่เหลือหลังจากนั้นก็เชื่อว่าจะอยู่เย็นเป็นสุขประสบแต่โชคลาภ ม, มีบางคนถึงกับยื้อแย่งรองปัสวะของมหาคุรูยื้อแย่งรองปัสวะไปทำไมเอาไปอาบเอาไปกิน อาบกินปัสสาวะถูกแล้วท่านผู้เจริญเศษทหารและน้ำล้างมือของท่านก็ไม่มีการทิ้งไม่ทิ้งแล้วทำยังไงผู้เลื่อนสายศรัทธาจะนำไปกินไปพรมศีรษะด้วยความกรพบูชาอัตมาขอถามหนอ่อยเถอะุมาสกท่านผู้เจริญต้องการจะถามอะไรถามมาเถอะท่านได้ดื่มน้ำล้างเท้าของมหาครุแล้วใช่ไหมใช่แล้วและยังได้รับพรจากท่านด้วยถูกแล้วก็นี่แหละ แล้วทำไมท่านจึงประสบทุกข์ล่ะทำไมท่านไม่เจริญก้าวหน้านในชีวิตละ่ะเรื่องมันมีท่านผู้จุเลงข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปเอาอาตมาจะคอยฟังตามปกติกเราเป็นสาวกของมหาครูจะต้องเสียภาษีที่เรียกว่าทักษินาหรือปาถกากณิให้แกมหาครุเป็นประจำทุกปีพอสิ้นปีจะมีเจ้าหน้าที่จากปุญญสถาระของมหาครู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 ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าบรรยายไม่ถูกเหมือนกันว่าขบวนแห่เยี่ยมประชาชนของมหาครูนีใหญ่โตมโหฬารเพียงใดแต่ถ้าท่านได้ไปเห็นด้วยตาของท่านเองนั่นแหละท่านจึงจะเชื่อวมันเป็นพิธีมโหฬารจริงๆเท่าที่ท่านได้บรรยายให้ฟังเนี่ยอัตมาก็พอจะวาดภาพดูได้ว่าเป็นขบวนที่ใหญ่ยิ่งมากแต่ก็อยากจะถามท่านว่ามหาคุรุออกไปได้วยขบวนอันยิ่งใหญ่เช่นนั้นเพื่ออะไร ถ้าดูตามหลักแล้วท่านออกไปเยี่ยมบรรดาสาวก